เมื่อวานหลวงพ่อไปงานวันเกิดหลวงพ่อเฉลี่วัดป่าภูก้อนอายุเท่ากันกับหลวงพ่อพรรษาเท่ากันแต่ท่านอ่อนพรรษากว่าท่านบวชทีหลังเดือนไม่ใช่ปีเดือนแต่พรรษาเท่ากันแต่ท่านอ่อนเดือนกว่ารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็มากอยู่เมื่อวานโตรงทานก็อุดหน้าฟ้าขึ้นแล้วก็มีทาง ญาติโยมทางฝั่งลาวผู้แท น, แทนฝั่งลาวมามาแต่ไม่ใช่พูดแทนนะอดีตผู้แท น, ท แ, ทนและเจ้าคณะแขวงเบียงจัน์กับคณะก็มาหลายคนอยู่เมื่อวานหลวงพ่อขึ้นไปก็เลยชาวอำเภอนายงเจ้าคณะอำเภอคณะสงยินดีต้อนฮับพี่น้องประเทศเล่าที่มาเยี่ยมเยิยนประเทศไทย หลวงพ่อประกาศวันกันอาสงอําเภ อ, อนายุงยินดีตอนหับพี่น้องญาติโยมราสงประเทศเล่าที่มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยและก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ประกาศบอกว่าเนี่ยในขณะนี้หลวงพ่อเองทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นเขาให้หลวงพ่อเป็นประธานจัดหาทุนสร้างตึกสงอาพาธ ที่สีนักคริมชั้นสิบตึกหลังนี้ตึกส9บเก้าชั้นแต่คณะสงฆ์พร้อมกับทางมหาวิทยาลัยเห็นพ้องต้องการว่าจะยกชั้นที่สิบให้เป็นหอสงฆ์ให้เป็นโรงพยาบาลสงฆ์ทั้งชั้นชั้นให้กว้างพันเจ็ดร้อยห้าสิบตารางเมตรก็มีห้องอยู่นั้นนัดนหลายห้องห้อง VIP พห้อง แพทย์ห้องหมอห้องพยาบาลตลอดทั้งห้องมีห้องพระไหว้พระสวดมนต์ด้วยห้องพระเยี่ยมไข้ด้วยที่จะก่อสร้างแล้วก็ค่าทางโรงพยาบาลก็มอบให้หลวงพ่อกับคณะสัทยาญาติโยมพณะสงฆ์ทั่วภาคตะวันออกเสียงเหนือเป็นผู้หาทุนตกแต่งภายในชั้นนี้ทั้งทั้งชั้นก็เลยหาผู้รับเหมาได้แล้วก็ ว่าจ้างผู้รับเหมาจากกรุงเทพเซ็นสัญญากันว่าจ้างกันตกลงกันเจ้านี้เหมนกันมีหลายเจ้าที่มาแข่งกันแต่เจ้านี้ตกลงกันได้สี่ล้านแปดแสนสี่ล้านแปดแสนตกลงเซ็นสัญญากันะต่นี่เขาลงมือทาแล้วจ่ายไปสามงวดแล้วยั ง, ยงเหลืออีกสามงวดที่ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็พร้อมกันเมื่อสร้างเสร็จแล้ว เมื่อตกแต่งภายในเสร็จแล้วก็คงจะมีอุปกรณ์การแพทย์มีเตียงพยาบาลมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรของแพทย์ทั้งชั้นก็นงบกบกันประมาณ1 3ถึงหล้านที่จะใช้ในเงินจะใช้ในชั้นนี้แล้วก็ที่ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาสิงหางหรือกันยาย น, น, นประมาณสิงหา ที่เซ็นสัญญากันคือปลายเดือนกรกฎาคมแต่เสียเวลาเพิ่มงานให้เขาไปอีกเขาก็ขอเวลาไปอีกสองอาทิตยต์คิดแล้วก็คงจะเป็นประมาณสักสิงหาสิงหาหน่าจะแล้วเสร็จในเมื่อแล้วเสร็จทุกอย่างแล้วก็คงจะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนที่จะเปิดได้ริงก็คงจะมอบทิงก็คงจะประมาณสักเดือนพฤศจิกา เดือนพฤติการให้กระถินอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนแลควก็คงจะนิมนต์พระสงฆ์ทั่วภาค ก, กับมันออกเสียงเหนือมาทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนอีกสักครั้งหนึ่งจากนั้นก็คงจะมอบให้แก่โรงพยาบาลเพราะนั้นเจ้าคณะแขวงทางเวียงจันทร์ประเทศลาวถ้าว่าเจ็บใครได้ป่วยรักษาที่ไหนไม่สะดวกก็มารักษา ท, ที่โรงพยาบาลศีนะคลินได้ รโรงพยาบาลศรีนครินเป็นโรงพยาบาลสงฆ์เราบอกว่าไม่ใช่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ทั่วโลกทางว่าพระสงฆ์พุทธศาสนาเจ็บไข้ได้ป่วยมาไปชมมาอะไรมาตำหรือว่าถิงลอบบ้านของเราเขมรเลา่าถ้าหากว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มารักษาได้ขอในมัวนาเจ้าัเจ้าคณะแขวง พอหลวงพ่อพูดจบเขาก็มีโยมผูกก้อนกับทานาจารย์สดอาจารย์ชาลีไปเป็นวันเกิดของท่านทั้งสององค์อาจารย์สดก็เกิดวันที่สิบแปมิถุนาอาจารย์ชาลีเขาเกิดวันที่ยี่สิบแปดยี่บเก้ามิถุนาญาติโยมเขาเลยรวบรวมจิตุปัจจัยถวายหลวงพ่อบอกว่าของงวดหนึ่งของงวดหนึ่งในในหกอวดนั้น หลวงพ่อถามว่าจะเอางวดที่หนึ่งหรืองวดที่สองตาม่จริงน่าจะเอางวดที่หนึ่งที่ผ่านมาหน้างวดที่หนึ่งผ่านมาคือหลวงพ่อจ่ายไปแล้วหนึ่งล้านสองแสนงวดที่หนึ่งงวดที่สองนี่ยเก้าแสนเก้าแสนหกงวดที่สามเนี่ยเจ็ดแสนสองแต่งวดที่สี่นีคือเจ็แสนสองงวดที่ห้าเจ็ดแสนสองและคืองวดที่หกสี่แสนแปดมาถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะนี่ อันนี้เด็คือยังอีกสามงวดถามว่าจะเอางวดที่เท่าไหร่ก็กลัววันร้อยจิ้มจิ้มคงจะงวดที่ที่สี่มัง 7, ม้งเจ็ดแสนสองมั้งอันนี้เด็คือตึกสงอาพาธ <c oughs> แต่ว่างานก็ไปได้ดีนะพูดไปที่ไหนก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนญาติโยมให้ความสนใจมากๆอยู่ในเรื่องตึกสงอาพาธเนี่เพราะว่าใครใครอยากจะได้บุญเพราะว่าครูบาอาจารย์ ปู่ยาตายายในหลวงปู่หลวงตาของพวกเราที่เก็บไข้ได้ป่วยก็มารักษากันที่นี่ล้มหายตายจากไปก็หลายองค์มือเร็วๆนี่ก็หลวงปู่ถิ่นหลวงปู่มหาเขียนหลวงปู่อุ่นหลวงปู่ล่าหลวงปู่มหาบุญมีวิจารุปู่ทั้งนั้นสายสิทสายหลวงปู่มันเหมนั้นลุกสิทธ์ลูกหาสายหลวงปู่มันเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ที่เก็บไข้ได้ป่วยก็เอามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนคริน ท่านของมรณะภาพที่น่เพราะนั้ทนท่ายจะว่าไปแล้วก็คือโรงพยาบาลศรีน ก, กรินทร์ก็เป็นแหล่งดรื ว, ว่าเป็นสถานที่รักษาพยาบาลครูบายการพระเถระผู้ใหญ่เพราะนั้นพวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังเป็นลูกหลานเหลนของท่านก็ควรจะเห็นความสำคัญควรจะให้ความสำคัญในสถานที่แห่งนี้ เพราะนั้นหลวงพ่อเองคือก็ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อจะให้หอสงฆ์แห่งนี้เป็นหอสงฆ์รักษาพระเถระผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ปรารถนาจะเข้าโรงพยาบาลหลวงพ่อด้วยอานิสงส์ที่ผู้ข่าได้ช่วยโรงพยาบาลได้ช่วยตึกสงฆ์อาภาตแต่ช่วยโรงพยาบาลเครื่อมไม้มือแพทย์ ขอจะให้ผู้ค้าได้เข้าโรงพยาบาลนานนะถึงข่าวแล้วต่ขอให้ตายตัวเร็วหลวงพ่อเองไม่ใช่สร้างโรงพยาบาลอยากจะเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่นะป่าถน้ำไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลไปเห็นโรงพยาบาลล้วโอ้สายอะไรต่อสายอะไรสายลงตรงนางสายบนสายล่างสายจมูกสายน้ำเกลือสายอยออกซิเจนไม่รู้ว่าสายอันไหนต่ออันไหนเห็นแล้วโอโ้โหไทยเจวานาทุเรศก็ใช่จวานาลำคานก็ใช่ แต่ท่านผู้ทําอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องการเหมือนกันนหะแต่ว่าจะทำยังไงได้มันป่วยแต่หลวงพ่อก็โอ้ไม่ปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้นอถ้าจะตายก็ถึงค้าวแล้วก็เก็บไข่ได้ป่วยตายแต่เพราปรารถนาได้ตกรถขอหักตายอย่างนั้นเอาไมก่ก็เออก็คงจะไม่เห็นขนาดนั้นอย่างนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าตายก็ขอให้ตายไปแบบเก็บไข่ได้ป่วยหมดอายุไปแล้วเออตายเหี่ยวแห้งไปก็จบไม่ทรมานมาก แต่จะไปอยู่นานเกินไปถึงค้าวแล้วอะไปไปซะโดยอันนี้สงสิทธิอันนี้สงทานอันนี้สงการสร้างโรงพยาบาลเนีหลวงพ่อเคคิดคิดอย่างนั้นอะไม่ใช่หลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่ออยากจะเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่นะเพื่อหวังบุญกุศลจากการสร้างโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในครั้งพุทธเจ้าวังครั้งพุทธการบอกว่าผู้ใดก็าตามอยากจะปฏิบัติเราตถาคต ให้ปฏิบัติภิกษุไขให้พระธ Wong บอกว่าการปฏิบัติภิกษุไขใ้เป็นบุญเป็นกุศลมากเหมือนกับปฏิบัติพระพุทธทเจ้าความหมายมาอย่างนั้นอันนี้ก็โรงพยาบาลศรีนักลออกไปได้เลยเดือยตะกี้ว่าคงไม่มีปัญหาหรอกถึงคราวแล้วก็คงจะเสร็จทุกอย่างเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตุปัจจัยที่เหลือเหลือจากการซ่อมแซมเหลือจากเครื่องไม้เครื่องมือ ก็จะตั้งเป็นกองทุนหรือตั้งเป็นกองจองทุณขึ้นมาอีกเพื่อรักษาพยาบาลพิสุอาพาตต่อไปเกือบสรุปแล้วก็คือเงินไม่เหลือเงินจะไม่เหลือมันจะเหลือได้ยังไงเพราะเหลือมาแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนขึ้นมารักษาพิสูอาพาตเจ็บไข้ได้ป่วยทําไม่จำไม่จึงจำเป็นจะต้องพิกษุอาพาตสําหรับฆราวาสญาติโยมบางคนไปผ่าตัด สมองอย่างนี้ยหรือเปลี่ยนหัวใจอย่างนี้อเครื่องกระตุกหัวใจราคาหลายแสนเขาจะไม่ให้ทั้งหมดนะส่วนราชการเขาก็ให้เพียงครึ่งเดียวตัวเองก็ออกเงินอันนี้ก็เหมือนการถ้าเป็นพระล่ะท่านเจ้าที่ไหนเงินของท่านบางวัดนะท่านก็ไม่มีมีแต่จะเอาวัดไปจำนองจำรำก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่ดินที่ไร่ที่นาท่านก็ไม่มีอถ้าว่าหัวใจของท่านจะต้องเปลี่ยนอย่างเนี้ยก็จะต้องเอาเงินกองทุนเนี่ย ส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งส่วนรัฐบาลครึ่งหนึ่งจะต้องเปลี่ยนเครื่องกระตุกหัวใจให้ท่านเยแบตเตอรี่แบตเตอรีตตรตตร่ราคาประมาหลายแสนเงี้ยถ้าขอนห้าหกแสนบาทอันนี้เป็นต้นนะยกตัวอย่างอย่างเปลี่ยนฟันปลอมอย่างนี้เขาจะไม่ให้ทั้งหมดเขาจะให้เพียงครึ่งเดียวถ้าสามหมื่นเขาจะให้ทางรัฐบาลเขาให้หมื่นห้าแต่จะลอง ใ, ใช้เงินกองทุนหมื่นห้ามาทําฟันปลอมให้แก่พระอย่างเนี้ย อย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่าขาเทียมอย่างเหมือนกันพระก็มีโอกาสขาขาดเหมือนกันนะไปขับรถกับปลานะ่ะบางทีทรถไหลขึ้นมาขาหักขาขาดจะ ท, ทําไงนะคงจะต้องได้ใช้ขาเทียมเมื่อใช้ขาเทียมเข้ามาอะไรกันเนี่ยใครต้องใช้กองทุนอย่างนี้แนะ่ละคือว่ากองทุนมีความจําเป็นสําหรับพระสงฆ์ต่อไปในอนาคตนะตลอดถึงเม็ดยาเหมือ น, นกันยาบางเม็ดยพวกเราก็ไม่น่าเชื่อนะ ถ้าพูดขึ้นมาก็ไม่น่าเชื่อแต่มันก็จําเป็นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนยาเม็ดละแปดพันอย่า 8, นี้ยาเม็ดละร้อยอย่างพเราเราก็ว่องแพงพอแรงแ 8, นะยาเม็ดละแปดพันยาแก้มะเร็งโอ้โหบริสุทธิ์จะมีอีกว่ายาเข็มหนึ่งเข็มละห้าหมื่นอันนี้ก็หลวงพ่อก็ ง, งงอีกเหมือนกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าเชี่ยวที่ขายยานะมาพักทิ่วัดหลวงพ่อเด็กหนุ่มนะเธอทําอะไรผมขายยาให้บริษัทครับ ยาอะไรยามะเร็งยาฉีดครับโอ้แพงไม่ยามะเร็งพอแพงพอสุ้มควรนาหลวงพอ่อเข็มละห้าหมื่นโอ้ตกเพราะฉนั้นใครใครอย่าเป็นมะเร็งเน่าเนี่ยมันแพงจริงๆอิงแล้วก็เข็มที่สองหนึ่งแสนสองนะหลวงพอ่อเข็มที่แรกน่ะห้าหมื่นะถ้ามันถูกเข็มที่สองหนึ่งแสนสองหายไหมไม่ถึงก็หายแต่ยืดอายุยืดอายุไปอีกทําไม จําเป็นได้ใช้ยาแพงขนาดนั้นหรือว่ากองทุนบางสิ่งบางอย่างให้เขาใช้ในสิ่งที่จําเป็นและสําคัญสําหรับพระสงฆ์อาพาธที่ว่าให้ฟังนีคือมันยาบางตัวมันก็แพงอย่างว่าครูบายจานบ๊ะบางองค์ก็สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ยังมียังน้อยหนุ่มยังทําประคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาได้มากอยู่ก็ควรจะบารงรักษาไว้นะ นี่ก็คือล ห, หลวงพ่อได้ thinking, คิดกว้างไกลเหมือนกันนะแต่ตามไปกิงหลวงพ่อเองสาหรับหลวงพ่อหลวงพ่อมันจะคิดอะไรมากแหมคิดตะว่าต่อต่ต่อต่ตอตๆอะไรเตรียมตัวตายอย่างนันคิดไว้อยู่เสมอพระพุทธเจ้าอ่ะมรณงเมพาวิสติให้ระลึกไว้อยู่เสมอให้คิดไว้อยู่เสมออย่าประมาทถ้าว่าเราไม่คิดเอาไว้ถ้าถึงข่าวมัน มันจะประมาามันจะตกใจแต่มันจะเสียใจววาดเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะนั้นต้องคิดให้อรอบคอบเอาไว้ชีวิตของคนเราก็มีแค่นั้นแหละสั่งสมบุญกุศล ส, สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เตรียมพร้อมรอมริบเอาไว้บุญกุศลอย่าประมาทปุญญาณิปรลโล ก, กัจจหมิง่งบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทางหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้า คนไหนสมใจมันพูดแข่งหลวงพ่อแล้วเอารับพรนทีินีหน้า